พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ว่าคารวะคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลีมันก็คับแคบนะน่ถ้าจะให้มันเข้ายุคเข้าสมัยเนี่ยมันก็ใช้คำว่าคารวะอาจจะดูไม่ค่อยเข้าสมัยกับตอนนี้เท่าไหร่ทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตไงในสมัยนี้มันมีอินเทอร์เนต็ตโลกทั้งโลกเนี่ยมันก็แคบลงไม่ใช่เฉพาะแต่กรรวาที่อยู่ทวีปนั้นประเทศโน้อนอยู่ประเทศนี้มันจะใกล้กันมันก็ทำให้อยู่วัดกับบ้านเนี่ยใกล้กันไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ย มันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีแต่พื้นเพของสมณะก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าออกจากเรือนแล้วก็ไปบวชไปบวชเพื่อพระพฤติพรมจร์ไปบวชเพื่อทาความเพียรทาที่สุดแห่งกองทุกแต่พอมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ย มันก็ทำให้ลำบากเหมือนกันนะไอ้คาว่าออกจากเรือนไปบวชเนี่ยพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเข้าไปกลุกคลีเข้าไปอยู่ด้วยในเรือนเริ่มมีความวุ่นวายมากขึ้นที่ว่าจะได้มีเวลาที่จะหลีกเร้นทำความสงบมันก็ไม่เท่าเก่า ไม่เท่ากับสมัยเก่าสมัยก่อนสมัยก่อนตอนที่มีโอกาสที่จะทำความสงบได้ออกจากเรือนมันก็ได้ออกจากเรือนจริงๆนะถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะทําความหลีกเล้นแต่สมัยนี้มันก็ทำให้โลกมันแคบแคบลงแคบลงติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมันก็เป็นข้อเสีย ข้าเสียของผู้ที่ต้องการจะหลีกเร้นปลีกวิเวกออกมาเพื่อทำความสงบให้แก่จิตใจมันก็เลยทำให้ออกจากเรือนมาบวชทำความเพียนแต่ก็ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยคารวะยากโยมไปที่พูดมานี่ก็คือว่าจะบอกว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันมาก ระหว่างนักบวชสมัยนี้วงเล็บสมัยนี้นะสมัยก่อนมันต่างกันอยู่แต่สมัยนี้กับคารวากับนักบวชไม่ค่อยต่างกันมากเพราะมันมีโทรศัพท์กันหมดมีอินเทอร์เน็ตกันหมดมันก็ทำให้การที่จะปลีกวิเวกเป็นผู้ไม่เกีย่ยวข้องดนื้อเยื่เรือนมันก็ทำได้ยากขึ้นแต่ก็มีนะ่ะมีคนที่เขา จริงจังแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เทคโนโลยีตรงนี้ก็มีแต่ก็ไม่น้อยล่ะที่ว่าต้องใช้ใช่ไหมใช้อยู่มันก็ทำให้บ้านก็เข้ามาในวัดไปด้วยความวุ่นวายในบ้านมันก็เข้ามาในวัดไปด้วยมันก็จึงไม่ค่อยต่างกันมากแหละคาะวาอาจจะมีเรื่องเข้ามาในระหว่างวันอาจจะสักสิบยี่สิบสามสิบหรือ50บร้อยหนึ่ง แต่ก็อย่าไปเท้าใจเพราะว่าคนที่บวชไปแล้วเนี่ยเรื่องวุ่นวายมันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ความวุ่นวายมันก็ล้นคลักเข้ามาในวัดเหมือนกันแต่ถึงมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมรรคผลนิพพานผลของการปฏิบัติเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปไหมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะถึงแม้ว่าโลกมันจะหมุนไปแต่ผลของธรรมเนี่ยมันเที่ยง ผลที่เราได้จากการที่เราปฏิบัติตามมรรคผลมันเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นสัจจเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามว่ายุคสมัยมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของธรรมะจึง เ, เรียกว่าอักาลิโกะไม่ประกอบด้วยการทํำตอนไหนไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยพุทธกาล กับยุคสมัยนี้มันก็มีค่าเท่ากันผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกันขอแค่ว่าทาให้มันถูกขอแค่ว่าทำให้มันดีมันก็จะได้ผลตามที่ที่พระองค์แสดงเอาไว้แหละว่าเหตุเหตุของการที่เราละตัณหาอุปาทานได้มันก็จะไม่เราเนี่ยได้ถึงความดับทุกข์ไปได้ แต่สาหรับบคุคคลที่มีโอกาสโอกาสว่างที่จะได้ประกอบความเพียรได้อย่างต่อเนื่องในอย่างเต็มที่ไม่มีคนมากวนมันก็แน่นอนแหละต้องได้ผลดีเพราะว่าเวลาทำงานทางด้านจิตใจเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความต่อเนื่องพอสมควรถ้าหยุดไปแล้วหยุดไปนา น, น, าน มันมันก็ฝืดมันก็เหนื่อยนะนะเหมือนคนที่เขาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแต่พอมันมีเหตุจําเป็นนี่ก็ต้องหยุดไปอ่าเหมือนอย่างช่วงเนี้ยออกกําลังกายข้างนอกก็ลําบากออกกําลังกายในฟิตเนสก็ไปไม่ได้อย่างคนชอบวิ่งเนี้ยหยุดไปนานๆอย่างเงี้ยแน่นอนเลยถ้าไปวิ่งอีกทีเนี้ยปวดแข้งปวดขาแหละจากวิ่งที่เคยได้10กิโลอาจจะเหลือสัก สอกิโลก็เริ่มแหลวมันก็ต้องย้อนกลับมาฝึกใหม่เพิ่มศักยภาพกันใหม่แต่ถ้าในทํานองกลับกันเนี่ยถ้าวิ่งอยู่สม่าเสมอทำทุกวันพักบ้างตามสมควรแก่กัารพักแต่ก็มีความสม่าเสมอในการที่จะฝึกมันออกกำลังกายกับมันแน่นอนแหละมันสบายๆได้ตลอด มันมีความเคยชินเคยชินในทางนี้มันก็ทำได้ได้ง่ายจิตใจเราก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยกันที่เราฝึกหัดจิตใจเนี่ยเรารู้วิธีแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ทำมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะความจำเนี่ยมันยังแก้ทุกข์ได้ไม่ดี แค่รู้จากสัญญาความจำทางตร ก, กะนะมันก็ยังแก้ทุกได้ไม่ดีต้องนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจทางตร ก, กะนี่เอาไปฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็ให้มันเป็นผลที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกในจิตใจ พอผลมันเกิดขึ้นกับความรู้สึกที่จิตใจแล้วเนี่ยมันจึงเรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจมันก็มีในหลายๆส่วนนะทั้งข้อปฏิบัติเรียกว่าเป็นกรอบของชีวิตของเราที่เรียกว่าศีลใช่ไหมถ้าเราทำได้ดีได้อย่างต่อเนื่องรักษาได้ดี ชีวิตเรามันก็ต้องดีแน่นอนเรื่องวุ่นวายภายนอกมันก็ต้องไม่มากพอเรื่องวุ่นวายภายนอกไม่มากมันก็ไม่กวนใจเรามากเราก็ขึ้นชื่อว่าเรามีความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยลดลงแล้วละ่ะลดลงมากกว่าการที่ศีลของเราเนี่ยมันไม่บริบูรณ์มันไม่สมบูรณ์บกพร่อง ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนนั่แหละว่าช่วงที่เรารักษาศินได้ดีได้บริบูรณ์เนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสบายขึ้นความวุ่นวายทางภายนอกมันก็ลดลงมันก็ขึ้นชื่อว่าเรามีความสุขขึ้นนั่นแหละแต่พอเราได้มีกรอบของชีวิตมีระเบียบของชีวิต การประพฤติในภายนอกที่มันดีแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำให้ความทุกข์ที่มีในชีวิตของเรามันหมดไปนะเพราะว่าความทุกข์ของคนเนี่ยมันก็สองส่วนใช่ไหมกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งแต่ความทุกข์ใจเนี่ยมันละเอียดนะมีหลายประเภทหลายอย่างความเบื่อเศร้าเหงาเซ็งอย่างเงี้ยมันก็เป็นทุกข์ เห็นอะไรแล้วมันขัดเครื่องตาขัดเครื่องใจมันก็เป็นทุกข์เห็นอะไรที่มันน่ายินดีน่าพอใจอยากจะได้อยากจะดูอยากจะฟังแต่มันไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันอันนี้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าใจเรามันไม่มีเครื่องอยู่ให้ใจไม่มีเครื่องอยู่ที่ดี เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราทำความสงบใจด้วยหัดที่จะหาอาหารดีๆสร้างบ้านดีๆที่อยู่ดีๆให้กับใจใจมันจะได้มีบ้านมีที่อยู่ที่มันจะไม่กระทบกระเทือนไปในทางภายนอกที่มันจะล้นทะลักเข้ามาถึงใจมีกรอบ คือความสงบใจคุ้มครองใจก็ต้องหัดที่จะหมั่นทำนะทาให้มันต่อเนื่องเรามีความสงบใจเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่านะแหละว่าเวลาใจที่มันสงบไม่วุ่นวายไปตามเรื่องที่ชอบใจก็ดีหรือเรื่องที่มันขัดใจไม่พอใจก็ตามเนี่ย การที่เรามีความเป็นกลางสงบตั้งมั่นอยู่มันเป็นแนวทางที่มันดีเป็นแนวทางที่มันฝักผีฝักไข้ไดไ้แล้วมันทำให้เราพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยไปสู่ความพ้นทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์ได้แต่ก็อย่างที่บอกไป ความต่อเนื่องในการปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญทำทำหยุดหยุดทำแล้วก็เลิกเลิกแล้วก็ทามันก็จะได้ผลไม่ดีเหมือนเราขึ้นเขาอะเขาลูกนี้สูงหนึ่งพเมตรเงี้ยเราขึ้นไปได้ร้อยเมตรเองแล้วก็เดินลงขึ้นไปสองรอเมตรแล้วก็เดินลง ก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เงี้ยมันไม่ถึงยอดเขาสักทีหนึ่งเราขึ้นไม่ได้ห้าร้อยละคิดได้ว่าโอ๊ยยังไม่ได้ทำเรื่องนั้นเลยต้องกลับลงมาก่อนมาทำทำเลิกๆิกเลิกเลิมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็ย่ำต้อบต่อยอยู่เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรให้มันต่อเนื่องก็จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติ ซึ่งถ้ามันจะมีการหยุดการโดนรบกวนก็อยากให้มันหยุดให้มันถอยไปเยอะมันหยุดมันถอยก็รีบที่จะพลิกกลับมาทำความเพียรให้มันต่อเนื่องขึ้นไปอีกถ้าไมนอย่างนั้นเนี่ยมันเสียดายเสียดายเวลาใช่ปะ แล้วมันก็ทำให้เราท้อไปเองนั่นแหละว่าทําไม่ต้องเยอะทําบ่อยๆแล้วเนี่ยแต่มันไม่เห็นได้ผลดูเป็นน้ำเป็นเนื้อเท่าไหร่ก็ดูยังตักต่อยตับต่อยอยู่ตรงนี้แหละความสงบความสบายมันก็ตันๆอยู่เท่านี้แหละให้แบบนี้ในกิเลมันพาคิดไงเราก็ไม่ได้เท่าทัน กิเลสในใจของเรากิเลสพาคิดคิดที่จะบั่นทอนกำลังใจตัวเองคิดไปเพื่อที่จะทำให้เราเลิกล้มความเพียรของเราเวลามันคิดใจมันส่งไปหาความคิดนี่มันก็ต้องสำรวจ ด, ดิว่าไอ้มันเป็นความคิดไปแบบกิเลสหรือเป็นความคิดแบบธรรมะ เราจะต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในอุบายเครื่องนำออกจากทุกข์ด้วยฉลาดที่จะรู้ว่าอันนี้มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสไหมเป็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสมาในแง่มุมที่มันดูดีนะถ้าเราไม่เท่าทันเราก็เชื่อมันเราก็ต้องมีอุบายที่จะรู้เท่าทันแล้วก็นำตนนี้ออกจากทุกข์นำตนนี้ออกจาก ความไม่เท่าทันในแง่มุมของกิเลสต่างๆเหล่านั้นแต่บางคนก็จะคิดว่าโอ้ยเราไม่สามารถที่จะทําให้มันต่อเนื่องได้ตลอด24ชั่วโมงหรอกไม่ได้ตลอดทุกๆชั่วโมงทุกนาทีหรอกมันแน่นอนมันก็คิดแบบกิเลสนั่นแหละคนมันจะคิดแบบกิเลสนะกิเลสพาคิดมันก็พาคิดแบบนี้ลนะ่ะ แล้วยังไงอ่ะเราก็ต้องมีเท่าไหร่เราก็ทำนั่นแหละมันเหมือนที่ครูบาอาจารย์ว่านะขี้เกียจก็ทาไม่ดีก็ทำดีก็ต้องทามันก็ไม่มีเงื่อนไขอ่ะเพราะว่างานภายนอกมันก็ต้องทำใช่ไหมเพื่อที่เราจะได้มีปัจจัยสี่หาอยู่หากินแต่งานภายในนี่มันก็ต้องทำเหมือนกันเราอยากที่จะมีความทุกข์ลดลงใช่ไหมเราอยากที่จะ ออกจากวัตฏะวนอันนี้ออกจากไอ้วังวนของความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วถ้าไม่ทำแล้วก็มาเมื่อเมื่อไรฉันจะจบงานภายในไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกมันไม่ได้จบไปด้วยการอ้อนวอนขอนี่เหตุของการที่มันจะหลุดพ้นออกจากวัตตะสงสารคือการที่เรา รู้เท่าทันและอาวิชาออกจากใจอันนี้มันเป็นเหตุที่เราจะไปถึงจุดที่เราไม่ต้องกลับมาวนอยู่ในวัตทะทุกอันนี้อีกแต่เหตุที่เราจะหลุดพ้นออกจากวัตทะวนอันนี้ด้วยการอ้อนวอนขอว่าเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่มันจะถึงเราก็พยายามปฏิบัติอยู่ด้วยความคิดหลับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แร้ ที่เราจะหลุดพ้นออกจากวัฏสงสาร น, นนี้ด้วยความคิดแบบนี้ด้วยอุบายในใจแบบนี้ถ้ามันขอได้ร่ำพึงร่ำพันกับตัวเองได้แล้วมันพ้นทุกข์กันหมดเนี่ยมันก็โอ้ยไม่มีใครเหลืออยู่บนโลกใบนี้แล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์หนึ่งองค์หนึ่งเนี่ยถึงแม้จะขนหมู่สัตว์ไปได้มากตาม ปรมีที่ท่านสั่งสมมานะแต่ถ้าเปรียบเทียบจำนวนที่ท่านขนนะถึงมันจะมากนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์หมู่สัตว์ที่ยังเหลือค้างอยู่เนี่ยสัดส่วนมันคือน้อยน้อยนิดหน่อยน้อยนิดเดียวเท่านั้นแหละไม่งั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเรื่อยแหละเพราะฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นนะว่าผู้ที่ทำถูกเท่า น, นั้นแหละจึงไปได้ ผู้ที่ไม่หลงอยู่กับกิเลสผู้ที่ไม่หลงมัวเมาเลอเพลินไปในแง่มุมของกิเลสที่มันหลอกเราเนี่ยมันไปได้แต่เราก็ถือว่าโชคดีนะโชคดีแล้วที่ว่าเราเกิดมาในยุคที่คําสอนก็มีพระพุทธเจ้าก็แสดงคําสอนเอาไว้แล้วคําสอนก็ยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ เราก็อยู่ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงเอาไว้มีโอกาสที่ได้ประพฤติปฏิบัติเพราะการประพฤติปฏิบัติที่เราทำแล้วก็จึงได้เสวยผลของการที่เราประพฤติปฏิบัติตามสัตว์ตามส่วนของการประพฤติปฏิบัติของเรา แล้วเราก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นภูมิที่เราจะสามารถฝึกหาปฏิบัติธรรมได้เต็มที่โอกาสของภายนอกที่เรียกว่ามีาศาสนามีคำสอนมีครูบาอาจารย์อันนี้ได้ยากแต่เราก็ได้มาแล้วโอกาสที่ยากอีกอันหนึ่งก็คือการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราได้อยู่ในาศาสนาเราก็ได้มาแล้ว เพราะฉะนั้นเหลือแค่ทาปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละและศาสนานี้ก็เป็นศาสานาของการที่เราต้องปฏิบัติอ่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติผลที่ได้มันก็ไม่เกิดขึ้นแต่แน่นอนละกิเลสมันก็จะต้องพยายามหลอกล่อล่อลวงเราใให้ให้ออกนอกลู่นอกทาง ถ้าอย่างคนที่มีอินทรีย์อ่อนอย่างเงี้ยมีวาสนานิสัยที่ไม่ได้มาทางนี้เนี่ยมันก็ลหลอกง่ายหน่อยไม่ต้องใช้ไม้แข็งก็เอากามเนี่ยแหละมันหลอกล่อเราให้มีความเผลอเพลินเพลิดเพลินไปในความสุขในกามทั้งหลายหรือไม่ก็เอากามแบบบางคน ที่ชอบทำงานางนี้ก็เอางานมาหลอกล่อเราไปอย่างบางคนไม่ชอบทำงานบางคนติดเกมติดหนังติดนั่นนึกวก็เอาทางนู้นมาหลอกมันก็หลงให้เราเห็นสาระแก่นสารของสิ่งภายนอกพอเห็นแบบจะบอกว่าเห็นผิดก็ได้นะเห็นผิดแบบนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราละเลยอ่ะ ละเลยสาระสาคัญเกี่ยวกับจิตใจของเราเกี่ยวกับหน้าที่สาคัญของการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าถ้าเราตายจากอัตภาพนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปกับความรู้ความเข้าใจที่เราสั่งสมแล้วไว้ในจิตในใจของเรา ทรัพย์สินเงินทองญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องลูกเมียไม่สามารถเอาไปได้เลยสักอย่างเดียวมีเท่าไหร่ก็คืนเขาไปหมดจะหาเงินมาได้พันล้านหมื่นล้านจะขนเราไปด้วยก็ไม่ได้คนนี้เรามีความผูกพัน มีความรักใคร่ผูกพันมากเราก็ไม่สามารถจะพาเขาไปกับเราได้มันก็มาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวนั่นแหละกิเลสมันก็จะหลอกมันทำให้เราเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระเก่นสารว่ามีสาระเก่นสารส่วนในสิ่งที่มีสาระเก่ยนสารจริงๆ มันทำให้เราไม่สนใจถ้าไม่เราไม่เห็นไม่รู้หรือเข้าใจผิดไปเลยเข้าใจผิดยังไงอย่างบางคนก็มีความเห็นอะที่ว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเกิดมาแล้วก็แค่ชาติเดียวชาตินี้ชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มี ทำบุญก็ไม่ได้บุญทำบาปก็ไม่ไม่ได้มีอะไรทำดีไม่ได้ดีก็มีทำชั่วได้ดีก็มีถมไปอ่ะมันก็หลอกล่อเรานี่แหละกิเลนี่มันจะว่ามันไม่เก่งมันก็ไม่ได้นะมันโโหหลอกล่อเราทุกทุกตรง ตรงไหนที่มันจะเป็นช่องออกให้เรามีความรู้ความเห็นที่มันถูกตรงไปในทางของมักเนี่ยมันปิดหมดนะปิดหมด่าบางคนถึงแม้จะได้รู้ได้ยินได้ฟังเพราะว่าเกิดมาในยุคที่มันดีแบบนี้เนี่ยแต่แน่นอนละหูมันเปิดตาก็เปิดกิเลสมันบงังปิดตาเราไม่ได้มันปิดหูเราไม่ได้ แต่มันไปปิดที่ใจเราแทนให้ใจเราเนี่ยไม่เห็นถึงสาระแก่นสารของคำสอนไม่เห็นโทษของวัฏฏะไม่เห็นโทษของกามเพราะใจมันมืดใจมันโดนบังแบบนี้แล้วเนี่ยมันจบข่าวเลยเอวังก็มีด้วยประการชนี้แสงของธรรมมันก็ส่องลงไปถึงใจไม่ได้ เพราะว่าทางเดินอันนี้มันเริ่มที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่มันถูกต้องถูกตรงแต่คนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็คือปิดประตูไปเลยมักมันเดินไม่ได้พอมีมิจฉาทิฏฐิมันจะทำสมาธิมันก็เป็นมิจฉาสมาธิพอเจริญสติมันก็เป็นมิมจฉาสติ เพราะฉะนั้นทิฏฐิคือความรู้ความเห็นมันเป็นหัวขบวนนะมันเป็นตัวชุดลากมรรคเจ็ดตัวที่เหลือไปถ้าเริ่มที่สัมมาทิฏฐิได้เนี่ยความคิดคือสังกัปปะมันก็เป็นสัมมาได้วาจาการพูดมันก็เป็นสัมมาได้ เฉพาะสติสติมันก็จะเป็นสัมมาสติมันจะเป็นไปเพื่อความความหน่ายความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพานจะาเรามีทิฏฐิที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ย ไม่ว่าเราจะทําเราจะพูดเราจะระลึกมีเครื่องอยู่ของใจเราจะมีความตั้งมั่นของใจในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันจะเป็นไปเพื่อความหน่ายความใครําหนัดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อนิพพาน แเราจะสา ม, มารถทำให้สัมมาสติมันเกิดได้บ่อยๆขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเราบอกว่าสัมมาสิมันเป็นหัวขบวนคอยจุดลากมัคที่เหลือก็จริงแต่สัมมาสติเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขางแถวอะแบบที่ถ้าเราเรียงมัคเป็นเส้นตรงนะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันอยู่ท้ายใช่ไหม มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะมันก็เสมือนว่าสัมมาสติเนี่ยมันก็ยกไอ้เส้นนี้เนี่ยมาเป็นคู่เคียงกับสัมมาทิฏฐิไปด้วยเพราะนั้นพอมันคู่เคียงกันไปเนี่ยมันก็ทำให้มรรคต่างๆเนี่ยมันรวมกันเข้ามรรคมันก็สามารถคีบกันได้ธรรมะต่างๆมันก็จะเจริญขึ้นมาด้วยการที่ นอกจากที่เรามีทิฏฐิที่มันตรงแล้วเนี่ยเรามีสัมมาสติที่มนันระลึกที่มันถูกเกิดถูกบ่อยๆได้เนี่ยสัมมาสติเรามีกําลังใช่ไหมสติมันเป็นพี่เลี้ยงของธรรมทั้งปวงอะ่ะมันเป็นธรรมะที่จําเป็นของธรรมะทั้งปวงซึ่งถ้าเรามีสัมมาสติที่มันดีมีกําลังเนี่ย มันไม่ต้องพูดถึงเลยว่าสัมมาสมาธิเรามันมาแน่นอนความสงบใจเราก็จะมีเราก็จะรักษาเอาไว้ได้ดีแีถ้าเรามีสัมมาสติที่มันไม่แข็งแรงอ่อนกำลังกำลังความสงบคือสัมมาสมาธิมันก็จะต้องอ่อนกำลังไปด้วยเพราะมันอ่อนกำลังลงไปความสบาย ทางอารมณ์เนี่ยมันก็น้อยลงไปสั่นคลอลงไปหรือถ้าพูดอีกแง่หนึ่งก็คือเราก็จะทุกข์มากขึ้นนั่นแหละทุกทางใจมากขึ้นตัววันนี้นี่ถ้าเราฟังส1บเอโมงครึ่งเขาก็จะมาะแถลงไอ้โควิดใช่ไหมสุดท้ายก็ย้ำทุกวันทุกวั น, นว่าโอ้คนไทยเนี่ยสู้กับโรคนี้ได้กาดยาตกนะกาดยาตก เหมือนกันนะ่ะเราจะเป็นนักสู้ที่จะสู้กับกิเลสโรคของกิเลสเนี่ยเราก็กาดตกไม่ได้เหมือนกันกาดตกเมื่อไรมันก็สอยเราไปกินเท่านั้นแหละถ้ามันสอยเราไปกินแล้วมันเป็นยังไงมัก็ทำให้อา้าวเราอยากจะเข้าสมาธิก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปดูหนังบ้าง ไปดูทีวีมั่งหรือไม่เราก็เออเราต้องหาข้อมูลทํางานนะมันก็ให้เราใช้เวลาเรื่อยเปลื่อยไปกับสิ่งต่างๆภายนอกกันแหละตัวที่เราลืมที่จะมีสติย้อนใจกลับมาข้างในส่งใจออกไปข้างนอกกับการงานกับความเพลินในกามอย่างนี้เพราะว่ามันทําให้เรามีมิจฉาทิฏฐิ ถ้าไม่เราเห็นว่าสิ่งที่ไม่มีสาระเป็นสาระขึ้นมาเราก็ส่งใจไปด้วยความเห็นว่ามันมีสาระเก่นสารนั่นแหละอันนี้อากาศตกไงถ้าอากาศตกมากๆนี่โดนหมัดสวนหมัดน็อกเป็นยังไงศีลเราก็พังศีลเราก็ไม่บริบูรณ์ศีลเราก็ดังพร้อยไปทีละข้อสองข้อแต่ชีวิตจริงมันก็อย่างนี้แหละ ข า, าดตกบ้างใช่ไหมขาดตกบ้างเราก็ตั้งกาดขึ้นมาใหม่ได้เราตั้งกาดแข็งแรงดีแล้วก็สวนมันบ้างต่อยมันบ้างให้มันถอยบ้างให้มันอ่อนกําลังบ้างใจเราก็จะเข้มแข็งขึ้นสบายขึ้นเพราะต่อยเขาได้เราก็ไม่โดนต่อยมากว่าไม่โดนต่อยมากมันก็ไม่ค่อยเจ็บตัว แล้การที่เราจะทำความเพียงให้มันดีให้มันได้ต่อเนื่องยุคสมัยนี้เขาก็เนี่ยแหละขาดอตกนะก็คือทำความเพียนอยู่ตลอดนะอยู่เรื่อยๆนะมันที่จะรักษาใจเราเรื่อยๆนะแต่ส่วนมากนี่บางทีเราเรามีความ เข้าใจเราเห็นความสำคัญของสติของความสงบของจิตใจก็จริงแต่ก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำมันได้อย่างต่อเนื่องความรู้ความสำคัญมันไม่ได้มีติดอยู่กับใจเราได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเทียบเคียงกับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยถามพระนนทนะว่าเอาอนนท์ เธอระลึกถึงความตายเนี่ยวันละกี่ครั้งจำไม่ได้ล้ ว, ว่าตอบกี่ครั้งแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะแพระพุทชาจ้ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยระลึกนึกถึงความตา ย, ยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่มันต้องให้ได้อย่างนี้สิเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็กากาเราไม่ตกไงเรามีสติ ที่จะเป็นสัมมาสติที่คอยเป็นทานบป้องกันกิเลสได้อยู่ตลอดอย่างแข็งแรงไม่มีช่องโหว่ให้มันจนตีแต่ถ้าเราเลืกนึกถึงความตายได้บ่อยๆเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ประมาทในจิตใจ ใจเราก็จะไม่ประมาทนะเพราะเราจะเห็นว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยมันเอาอะไรไปได้นะไหมอ่ะถ้ามันเอาไปไม่ได้เราจะไปทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จโดยเฉพาะจิตใ จ, จของเราไปกับสิ่งเหล่านั้นทำไมถ้ามันจาเป็นต้องทำก็ทำไปแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ควรจะรักษาจิตใ จ, จ ย, ย้อนจิตใ จ, จกลับเข้ามาในภายในไม่สนใจ ให้มันไปเป็นเรื่องเป็นราวอยู่กับภายนอกหน้าที่สำคัญก็คืองานภายในเราต้องไม่ละเลยแต่สัาวา์กาศตกเมื่อไหร่ปุ๊บกิเลสมันก็เห็นนั่นแหละว่าอ้าวนี่ได้ช่องแล้วมาเห็นถึงความมีสาระแก่นสารของภายนอกซะส่งใจออกมานะ มันก็มีความสำคัญมีความจาเป็นนะแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้นะที่ว่าทำงานข้างนอกก็ต้องทำแต่เราก็ไม่ละเลยที่เราจะเห็นถึงความไม่มีสา ร, รางเขียนสารเห็นถึงเรียกว่าสภาพตามความเป็นจริงแต่เราไม่ได้ว่าปฏิเสธสิ่งข้างนอกแล้วก็ไม่ทำอะไรสักอย่างไม่ใช่นะ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ส่งใจไปยึดมั่นถือมั่นมันมีควรต้องทําก็ทําไปรับผิดชอบให้ดีรับผิดชอบให้สุดความสามารถแต่เราก็ไม่ได้ส่งใจไปยึดไปถือเป็นเรื่องเป็นราวกัมันเพราะเราเห็นความจริงต่างๆก็ต้องเห็นที่ใจด้วยนะเห็นถึงความจริงต่างๆว่า มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกมันเป็นอนัตตามันไม่มีคุณค่ามันไม่มีสาระเที่ยงแท้แน่นอนเราก็เอาใจของเราย้อนกลับมาไว้อยู่ในภายในเพราะงั้นการที่เรานึกถึงความตายบ่อยๆเราก็จะเห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารได้ดี นอกจากที่เราจะดูลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นึกระลึกถึงพุโทโธเป็นเครื่องอยู่แต่ถ้าเราลึกนึกถึงความตายมีมรรคานุสติบ่อยๆอันนี้มันจะช่วยเรื่องความไม่ประมาทของเราได้ดีแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยก็เรียกว่ากาดไม่ตกเพราะเราเห็นโทษเห็นภยัย พอมันเห็นโทษเห็นภัยเห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารแล้วเนี่ยมันก็จึงรักษาป้องกันได้อย่างละเอียดละออขึ้นทีท่วนขึ้น